เมื่อเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมณัติการไม่ควรจะใส่ไว้ในใจคือไม่ควรที่จะรับเป็นอารมณ์เข้าไปในใจก็ไม่รับปล่อยให้ตกอยู่แค่ประตูหรือจะเรียกว่าแค่นอกประตูก็ได้ให้ตกอยู่แค่ตาแค่หูแค่จมูกแค่ลิ้นแค่กายแค่ใจ ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้เข้าเมืองแต่ว่าถ้าเป็นมิตรก็รับเขา้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของศัตรูและเรื่องของมิตรนี้ก็ได้มี ค่อยคำที่พระพุธทธเจ้าไดตรัสแสดงไว้เป็นปุคลาธิฐานอีกเหมือนกันคือถ้าเป็นศัตรูนั่นเรกเรียกว่ามารคือภูมิมุ่งร้ายที่จะเข้าผ่านทวารเข้าสู่ บ้านหรือเมืองของจิตนี้โดยที่มานคือผูมุ่งร้ายนี้ได้แสดงตนเป็นผูมุ่งดีนำเรื่องรูปเสียงกลภภิ่นรสผลตภะและเรื่องของเรื่องเหล่านี้ที่น่ารักใครปรารถนาพอใจ เามาอันทําให้เพลสติไปได้เมื่อเพลสติก่อนรับเขา้ามารก็เข้าไปสู่จิตกับอารมณ์เหล่านี้ก่อกวนอยู่ในจิตเป็นกิเลสกองกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะดองจิตสันดาน โดยที่เข้าแล้วไม่ยอมออกยึดอยู่ดังกิเลสกองอาสวะทั้งหลายที่ยึดอยู่ในจิตของบุคคลทุกๆคนไม่ยอมออกยึดอยู่แล้วเมื่อยึดอยู่แล้วก็ยังทรงอำนาจออกไปทำให้เผลอสติเผลอปัญญา ยอมจิตให้มัวเมาเหมือนอย่างคนที่กินสุราดื่มสุรายาเมาจิตก็เหมือนกันเมื่อดื่มอาสวะเข้าไปก็เมาเมาก็เผลอสติเผลอปัญญาจึงรับเอาสมุนของมานเข้าไปสู่จิตอยู่นึ่งนงก่อให้บังเกิดอาสวะขึ้นในจิตเพิ่มเติม ทำให้เกิดความขับแคลนให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ไม่รู้แล้วดังที่ปรากฏแต่แม้เชนนั้นจิตนี้ก็ยังมัวเมายังมีความเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่ก่อให้ความเดือดร้อนในอยู่ในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนความขับแคลนนั้น เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยที่ได้มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกก็ได้ตรัสเป็นปุคลาธิฐานว่าได้ทรงส่งโทษคู่หนึ่งเพื่อจะผ่านบ้านผ่านเมืองเข้ามาโทษคู่นั้นก็คือว่า สมถะและวิปันสนาในเมื่อสติไม่เผลอสติไม่เผลอปัญญาก็ยอมจะรับเอาโทษค่นี้เข้าสู่บ้านสู่เมือง เมื่อโทษคู่นี้เข้าสู่บ้านสู่เมืองได้จิตได้รับสมถะได้รับวิปัสสนาก็ยอมจะหายเมาขึ้นโดยลำดับทำให้หูตาสว่างได้สติได้ปัญญายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะเห็นว่าตอนรับมิตรคือโทษของพระพุทธเจ้า อันได้แก่สมถะวิปัสนาเข้าสู่บ้านสู่เมืองของตนเพราะฉะนั้นก็จะทาให้ได้อินทรียสังวรคือความสารวมอินทรีย์มากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นมีสติมีปัญญามากขึ้นรู้จักว่าอะไรควรจะรับอะไรไม่ควรจะรับไม่ควรรับก็ไม่รับ ไปตกอยู่แค่ตาหูจมูกลิ้นกายและมาเนีนเท่านั้นเมื่อควรรับเป็นสมถะเป็นวิปัสนาก็รับเข้าสู่จิตใจเมื่อเป็นเพิ่มพลังของความรวมรวมอินทรีย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นอินทรีย์จสังวรความรวมรวมอินทรีย์จึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทงความสงบสืขต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่าน ตั้งใจนอบนอบ้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตส ม, มาสัมพุทธ เ, ทเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระตั้งใจสัมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลธรรมสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานตามสภาสังวรสูตรนำสติปฐานในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงวิธีละอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานด้วยวิธีปฏิบัติทำ คัสนะคือปัญญาที่รู้เห็นสังวระคือสำรวมอินทรีย์ทั้งหกอันได้เกตตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งได้แสดงอธิบาย มาแล้วเจงจักแสดงอธิบายวิธีต่อไปที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในพระสูตรนี้เป็นข้อที่สามก็คือละด้วย การเสพ บ, บริโภคคือเสพ บ, บริโภคปัจจัยทั้งสี่สำหรับภิกษุบริษัทก็คือจีวรผ่านนุ่งหม่มบิณฑบาต ที่บริโภคเสนาสะนะที่นอนที่นั่งและทีลานะปัจจยะเพศสัจจบริขารคือยาปรุงสำหรับ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 ให้พิจารณาเสษบริโภคที่เรียกว่าทำไว้ในใจโดยแยบคายตนาโดยแยบคาย และตรัดไว้ในพระสูตรนี้ว่าการพิจารณาโดยแยกขายเสบบริโภคปัจจัยทั้งสี่เป็นเหตุละอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองจิตสันดานได้ข้อหนึ่ง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 คือพิจารณาว่าเสบบริโภคยีวรคือผ้านุงห่มก็เพื่อบำบัดหนาวเพื่อบำบัดร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสคือความกระทบถูกต้อง แหงเลือบยุงลมแดดสัตว์เล้ยคลานทั้งหลายเพื่อปกปิดอวัยวะความอายดังนี้เป็นวิธีพิจารณาที่ตัดซสอน ไว้ให้พิจารณาในการเสบบริพกีวอนคือผ้านุ่งหม่มและเมื่อพิจารณาดังนี้ก็ชื่อว่าพิจารณาโดยแยบขายในข้อบณญบาติ คืออาหารสำหรับบริโภคก็ตรัสสอนให้พิจารณาว่าบริโภคบิณฑบาตคืออาหารสำหรับบริโภคมิใช่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 ยังชีวิตให้เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือความประพฤติอันประเสริฐคือความประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า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 ระ ง, งับความลำบากความที่ไม่มีโทษความอยู่ผาสุกจักมีแกเราด้วยเพราะอย่างนี้เมื่อพิจารณาดังนี้ ก็ชื่อว่าพิจารณาโดยแยบขายบริโภคบิณฑบาตคืออาหารที่บริโภคในการเสบบริโภคเสนาสนะที่อยู่อาศัยที่นั่งที่นอนก็ตรัสสอนให้พิจารณาว่า เสบบริโภคเสนาสนะที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัย ก, เก็เพื่อกำจัดเพื่อกาจัดร้อนเพื่อกำจัดสัมผัสแห่งเลือบยุงลมแดดสัตว์สึครานทั้งหลาย เพื่อบันเทาอันตรายแต่ฤดูกาลเพื่อชอบในความหลีกเล่นเมื่อพิจารณาดังนี้ก็ชื่อว่าพิจารณาโดยแยกใายเสพ บ, บริโภคเสนาสนะคือที่นอนที่นั่งที่อยู่อาศัย ในการบริโภคยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไข้ก็ตรัสสอนในพิจารณาว่าเสบบริโภคยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไข้ก็เพื่อกำจัด เวทนาทั้งหลายที่มีอ า, าพาธต่างๆความเจ็บป่วยต่างๆเป็นมูลเพื่อที่จะได้หายป่วยไข้ เมื่อพิจารณาดังนี้เศษบริโภคยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไขย้ก็ชื่อว่าพิจารณาโดยแยบขายเศบบริโภคยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไขย้เมื่อไม่ได้พิจารณาโดยแยบขาย บริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้อาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองจิตสันดานทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นสร้างความทุกร้อนเหล่าใดย่อบเกิดขึ้น แต่ว่าเมื่อพิจารณาโดยแยบคายอย่างนี้แล้วอาสะวะเหล่านั้นก็ย่อมไม่มีไม่เกิดขึ้นดังนี้การพิจารณาบริโภคเสพปัจใจทั้งสี่ โดยแยบคายตามที่ตรัสสอนไว้นี่ก็เป็นข้อที่พึงปฏิบัติแม้สำหรับโฮมุ่งปฏิบัติธรรมทั้งหลายในฝ่ายครือขัดด้วยก็เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นบัคคือภูโบดไม่ว่าจะเป็นเครือขัดก็ต้องอาศัยปัจจัยทั้งสี่นี้ในการดำรงชีวิตอยู่ต้องเสพ บ, บริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้สำหรับบำรุงเลี้ยงชีวิตอยู่เป็นประจำและ เมื่อไม่ได้พิจารณาโดยแยบคายก็ย่อมเป็นเหตุให้บริโภคด้วยตัณหาคือความดิ้นรนทยานยากติดอยู่ใน รถของการเสพบริโภคเช่นติดอยู่ในรถของอาหารหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าติดอยู่ในสุขเวทนาที่ได้จาก การเสบบริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้ซึ่งเมื่อไม่ได้พิจารณาสุขเวทานานี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาและเมื่อตัณหาที่บังเกิดนี้ เกิดขึ้นก็จะนอนจมดองจิตสันดานต่อไปแม้ว่าตัณหาที่ปรากฏจะรู้สึกว่าบังเกิดขึ้นและหายไป เป็นคราวๆแต่ที่ว่าหายไปนั่นก็คือความรู้สึกหายไปส่วนตะกอนของตัณหานั้นก็ยังตกจมนอนจมอยู่ในจิต อันนี้แหละที่เรียกว่าอาสวะและในข้อนี้หากทุกทุกคนพิจารณาดูโดยตรงก็ดีโดยเทียบเคียงก็ดีก็ย่อมจะเห็นได้ก็ความติดนี้ ซึ่งเป็นตัวอาสวะนั้นมันเกิดขึ้นได้จากการเสพบริโภคปัจจัยทั้งสีน่นี้ยกตัวอย่างอาหารที่ทุกคนบริโภค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 มีรถเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคนทุกชาติทุกยำพวกจึงมีความติดอยู่ในอาหารที่ตนได้บริโภคมาตั้งแต่เกิดอยู่ด้วยกัน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 แต่เพราะเหตุที่ได้เสพสุราได้สูบฟินบ่อยๆความติดก็จะค่อยๆบังเกิดขึ้นฝังลึกลงไปก็เป็นไปทางร่างกายนี้เอง ก็ทำให้ต้องการที่จะดื่มสุราต้องการที่จะสูบ ป, ปินสูบฟินต้องการที่จะเสพยาเสพติดให้โทษที่ติดนั่นสิ่งที่ติดอยู่ดังนี้แหละทางกายก็มีทางนี้